บทที่2ว่าด้วยบทเรียนทั้ง3าความรู้แจ้งอริยสัจหรือวิชาหรือสัมมาทิฐิได้มาด้วยการศึกษาบทเรียนสำคัญสามบทหรือไตรสิกขาประกอบด้วยศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขา ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพูดกันติดปากว่าเป็นการศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็น่าจะกล่าวว่าเป็นการศึกษาเรื่องศีลจิตและปัญญาศีลสิกขาเป็นไปเพื่อให้จิตอยู่ในสภาพเป็นปกติไม่ถูกกิเลส ช, ชั่วยาบครอบงำพร้อมที่จะเรียนรู้จิต ในขั้นต่อไปจิตตะศิขาเป็นไปเพื่อให้จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาในขั้นการเรียนรู้อริยสัจซึ่งจิตจะต้องเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยความสามารถที่จะยังรู้ความจริงของสภาวธรรมและเกิดขึ้นเองเพราะจิตรู้จักและจดจำสภาวธรรมคือรูปนามกายใจได้แม่นยำจิตชนิดนี้ จะปราศจากนิวรณ์อันเป็นกิเลส ช, ชั้นกลางมีความตั้งมั่นอ่อนเบาคล่องแคล่วและซื่อตรงในการรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงปัญญาศิกขาเป็นไปเพื่อให้จิตเกิดความรู้แจ้งในอริยสัจอันเป็นเครื่องละกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือสังโยชน์รวมทั้งอวิชชา ซึ่งจิตจะรู้แจ้งอริยสัจได้ก็ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกระบวนการเรียนรู้ความจริงของทุกหรือรูปนามกายใจจนจิตทำลายความยึดถือรูปนามลงได้แล้วจิตจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างถาวร อ, อันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา มีข้อหน้าสังเกตว่าหนึ่งบทเรียนทั้งสามนี้เป็นเรื่องของการให้การเรียนรู้กับจิตทั้งสิน้นคือสองบทเรียนแรกเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญปัญญาและบทเรียนสุดท้ายเป็นการให้การเรียนรู้กับจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและหลุดพ้นจากกองทุกกองกิเลสในที่สุดสองบทเรียนทั้งสาม เป็นเครื่องยับยัง้งข่มและประหารกิเลสอย่างหยาบกลางและละเอียดไปตามลําดับและ 3. บทเรียนทั้ง3มนี้แม้จะแตกต่างกันแต่หัวใจของการเรียนกลับเป็นสิ่งเดียวกันคือถ้ามีสติเนื่งเนืองจิตจึงจะเรียนรู้และสอบผ่านบทเรียนทั้งสานี้ได้แต่หากขาดสติเสียอย่างเดียว จิตจะสอบผ่านบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้เลย